พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้ดีใจนี้เมื่ออบรมแล้วมันมันจะมีความถุขมากใจที่ไม่ได้ฝึกขนอบรมมันมัวมองด้ว ย, วยกิเลสมันจึงหาความสุขไม่ได้ ทุกคนนั้นต้องการความสุขต้องการความเป็นอิสระในตนของตนเมื่อต้องการเป็นอิสระมันต้องละกิเลสเพราะกิเลสมันทำคนให้เป็นอิสระไม่ได้ไม่อยากทำก็ได้ทำไม่อยากไปก็ได้ไป เป็นอย่างบุคคลผู้ตกเป็นทาสแห่งตัญหาไม่อยากทาบาปก็ได้ทาอย่างนี้แหละมันเหตุการณ์มันบังคับเมื่อทำไปทำไปแล้วมันจินแล้วมันก็เลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษ อันนี้จึงท่านจึงเรียกว่านิสัยปัจจัยนั่นแหละถ้าบุคคลทำไปจนชินแล้วอย่างนี้มันไม่กลัวทุกกลัวบากกลัวกรรมอะไรเลยนี่มันเป็นยัางไงาเหมือนอยังคนติดของเตพติดนี่แหละเป็นคนติดตุลาคนติดปินอย่างนี้นะ เมื่อมันติดไปพอๆแล้วอย่างนี้มันไม่ได้กลัวว่ามันจะเป็นทุกข์ไปเบื้องหน้าหรือจะเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันมันไม่กลัวเลยต่อเมื่อความทุกข์มาถึงเข้าแล้วบันนี้มันก็แก้ไม่ได้มันกดละทมทุกข์ไปอย่างนั้นแหละเงินทองเข้าคล้องก็ไม่มี ไปซื้อตั้งแต่ของเสพติดให้โทษนันกินเนี่ยจิตใจที่มันปล่อยให้มันไปตามอำนาจของกิเลสแล้วมันมีแต่ระทรมทุกข์เท่านั้นเองนะต้องพิจารณาให้มันเห็นเอาถ้าไม่ปล่อยให้มัน เสบของเส็บติดดังกล่าวมานั้นก็ปล่อยให้มันไปขึ้นชมยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่สางๆจนถอนตัวไม่ขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นนักเลงเจ้าชู้ไป จิตใจไม่ตั้งมั่นเลยรักนี่แล้วก็ยังไปไปมามาผัดเบือ่เอเิรักอผัาดไปรักนู้นอีกอรักไปรักมาผัดเบือ่อเดี๋ยวก็ไปรักที่นู้้นอีกอา่าอยู่อย่างนี้แหละบุคคลผู้ใจลอยปล่อยใจิตให้ตกเป็นธาตแห่งกันหาเลยกลายเป็นคนเจ้าทู้ไม่มีหลักแรง หากินแบบเลื่อนลอยอเมื่อไม่มีเงินจะใช้แล้วก็ไปรวมหัวกันเป็นโจรมาด้เนี่ยนะไปจี้ไปปล้นเอาเพราะคนปล่อยจิตใจทุกนให้ตกเป็นธาตุอย่างตันหานี่มันมีมากเหลือเกินในโลกอันนี้เนะ่ะเหตุนั้นพวกนี้เขาจึงรวมหัวกันได้ส่องถุมโจรขึ้นมานนเนี่ย เจ้าหน้าที่จับได้ก็ฟ้องล้องติดคุกติดตารางไฟเพราะฉะนั้นคนอยู่ในตารางน่ะมันจึงหลายเหลือร่ น, นเพราะฉะนอ่าเฉลิมะชนบรรษาปีหนึ่งหนึ่งก็ปล่อยนักโทษออกไฟไม่ปล่อยไม่ไหวไม่มีที่จะอยู่มันหลายเหลือเกินผู้ที่มีสติธรรมะเสถียร ควรพากาลึกให้ได้อย่ายอมเป็นตกเป็นท่าแท่งตันหาดังกล่าวมานั้นถ้าว่าปรารถนาจะครองเลือนก็ครองโดยศีลโดยธรรมดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารักเดียวใจเดียวอย่างนี้มันก็ยังชั่วหน่อย ถึงมีภาระหนักมันก็ยังไม่หนักเหมือนบุคคลหลายใจหลายรักอย่างนั้นแต่ถ้าหา ก, กว่าทางที่ดีแล้วผู้ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยพิจรารณาเห็นโทษแห่งตัญหาเหล่านี้แล้วไม่ออกไปหามันได้แล้วนะ่ะดีมากทีเดียวมันจะได้พ้นจาก ความทุกข์ความยากความลำบากทั้งทางกายและทางจิตใจไปในปัจจุบันนี้เพราะว่าการเป็นนักบวชนี่ก็หมายถึงบุคคลที่ไม่ยอมตกเป็นทาสแห่งตันห า, าเป็นผู้ถือสันโดษมากน้อยยินดีตามมีตามได้ อย่างนี้ก็เลยไม่ต้องได้สวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรกำพ้นทนแดดไ ม, ม่มีก็ได้อยู่สบายสบายแต่ว่ามันก็ลำบากไปอีกทั้งหนึง่งลำบากด้วยการทำความเพียรกำจัดกิเลสตัณหาออกจิตใจออกจากกิตใจนี่ แต่ถ้าว่าใครบวกเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ไม่ได้ทำการงานอะไรแล้วก็เกิดความเกียดคร้านขึ้นมาสิมีแต่หลับมีแต่นอนมีแต่กินอย่างเดียวมีแต่หาคุยกันเล่นปล่อยให้วันเวลามันล่วงไปเสียเพราะเป่าอย่างนี้ยิ่งทำลายกว่าชาวบ้านซ้ำเลย ชีวิตของนักบวชผู้นั้นไม่มีที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้แล้วหนอยหนึ่งมันก็อยู่ไม่ได้แหละถ้าประมาทเช่นนั้นนะในพึ่งเข้าใจอันเป็นคฤหาสน์มันมีทางรับายเหตุนั้นเขาถึงอยู่กันได้แม้มันจะทุกข์ยากลำบากอย่างไร มันก็อยู่เพราะว่าไอกรรมมตัญหาเนี่ยบุคนลใดเป็นผู้ยึดมั่นในกามตัญหามันก็อยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสนั่นแหละแม้จะทําการงานการลําบากอย่างไรเมื่อมันนึกถึงรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสที่สนชอบอกชอบใจมานกัมีกําลังใจ ทำการทำงานไปมันเอารูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นเป็นที่พึ่งคนเรานะ่ะให้คิดแห้มันเห็นไม่ได้เอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งดังนั้นการที่เป็นนักบวชนี่นะเราเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งเป็นที่ะระลึกอยู่ในใจเราเอาความจริงเป็นเครื่องยู ความจริงคืออะไรคือเห็นพิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็กำหนดรู้อยู่กับความจริงเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเราอยู่ด้วยความจริงถึงจะเป็นคารือหัดก็ก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่หมุกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเกินไป อย่างนี้ก็พอมีหนทางที่จะอยู่ด้วยไตรลักษณญาณเหล่านี้ได้อยู่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีช่องเสียเลยบุคคลผู้ที่เชื่อในคำสอนของพพุทธเจ้าว่าตัณหานี่แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการเช่นนี้แล้วก็พยายามตัดทอนตัณหา ให้น้อยเบาบางออกไปเมื่อเมื่อตันหามันเบาบางไปให้ใจมันก็ค่อยมีช่องทางที่จะสงบระงับได้อย่างนั้นความอยากก็เหมือนพอประมาณไม่ล่วงสินล่วงธรรมใอ้ความอยากอยู่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรมอย่างนี้ก็ยังชั่วน้อยไม่ทุกข์ร้าย เรียกว่าทุกวันผ่อนลงถ้าผู้ใดไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ร, รู้อำนาจแก่ตัญหาอไยเดี่ยวเช่นนี้ย่อมมีทุกขอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นดังนั้นอ่ะควรพากันพิจารณาให้ดีไอ้พระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่เป็นเสมือนอย่างว่า กล้องส่องทางเดินของชีวิตเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเมื่อเราดำเนินเดินตามทางแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้เราก็เดินทางไปก็ไม่ผิดไม่พลาดเหมือนอย่างบุคคลผู้มีกล้องส่องทางไกลเมื่อมองเห็นทางนั้นมันลกชัดก็ไม่ไป เมื่อมองเห็นว่าทางนี้เป็นทางเตียนทางลงู่ไม่มีสัตว์ร้ายอะไรอย่างนี้ก็เดินไปมันก็ปลอดภัยดีหรือว่าเหมือนอย่างบุคคลเดินทางกลางคืนเดือนมืดแล้วมีไฟฉายสำหรับส่องทางเดินอย่างนี้มันก็มองเห็นทางได้ชัดเจน เป็นสิ่งที่เป็นภัยอันตรายต่อชีวิตเ ย, ย็นสัตว์ที่มีพิษอะไรโมนี่นะ่ะมันก็เว้นได้อันนี้นละชั้นใดก็อย่างนั้นบุคคลผู้มาเจริญศีลสมาธิปัญญานี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนแล้วก็เหมือนอย่างบุคคลผู้มีอ ไฟฉายอยู่ในมือแล้วเดินทางกลางคืนเดือนมืดมองส่องไฟเห็นผลทางไม่ได้ชัดเจนก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเรามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในใจแล้วใจก็สว่างสวัยมองเห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ได้ทุกข์แง่ทุกข์มุม ถ้าเป็นเคเรหัสอย่างนี้ก็มองเห็นบาปบุญคุณโทษได้เป็นอย่างดีก็รู้จักประมาณในการทรมาหาเรื่องชีพแต่โดยทางที่ถูกที่ชอบไม่รู้อำนาจแก่ตันหาฝ่ายตามอย่างนี้นะเพราะว่าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองเห็นทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษต่างๆได้ ถ้าบุคคลไม่บำเพ็ญสินสมาธิปัญญานี้ให้เกิดขึ้นแล้วโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้มันเขาครอบงำจิตใจในเรามองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นการกระทําบาปกรรมความชั่วนั้นว่ามันจะเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษมองไม่เห็นเห็นแต่ว่าทํำลงไปแล้วมันสนุกสานานดี เช่นอย่างดื่มเหล้ า, มาเมาสุราอย่างนี้นะอา้าวทาดื่มลงไปแล้วมันสนุกสนานดีเอาแต่รสแ่งความสนุกมันเท่านั้นแหละไอ้เรื่องที่จะเป็นบาปเป็นกรรมไม่รับรู้ไม่เกี่ยวข้องนี่และความชั่วอย่างอื่นก็เหมือนกันเช่นอย่างผู้ไปเล่นทู้กับเมียคนอื่นหรือผัวคนอื่น หมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกสานานเรียก ว, ว่าขอให้ได้สุขในปัจจุบันนี้พอแล้วตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันจะไปตกนรกหมกไหม้ก็แล้วแต่เรื่องมันเพราะมันไม่รู้อะไรหรอกตายไปแล้วนะ่ะคนมักจะมีความเห็นอย่างนี้เป็นส่วนมากน ะ, ะเหตุนั้นจึงทำบาปได้อย่างไม่สะดุ้งหวาดกลัวเลย ทำไมจึงว่าตายแล้วไม่รู้อะไรถ้าเช่นนั้นก็พู้นั้นก็เห็นว่าตายแล้วศูนแลตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกต่อไปมันขัดกับกฎธรรมดาเนื่องนี้พระพุทธเจ้าได้มีพระยานอย่างรู้อย่างเห็นโดยแจมแจ้งแล้วพระองค์จึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่า ผู้ใดทํากรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นทีท่ทรงแสดงอย่างนี้นะ่ะก็แสดงว่ามันต้องมีผู้ทําแล้วก็มีผู้รับผลไม่ใช่รับผลในปัจจุบันนี้อย่างเดียวรับผลในเบื้องหน้าต่อไปอย่างเช่นทรงแสดงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไว้ยอย่างนี้แหละก็แสดงว่าโลกหน้ามี แสดงว่าบุคคลผู้มีกิเลสสะสมกิเลสไว้ในใจแล้วกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วนี้ก่อนนาไปอกรรมดีก็นําไปสู่สวรรค์กรรมชั่วก็นําไปสู่นรกนี่อผู้ที่เป็นชาวพุทธจริงๆแล้วนะไม่ควรปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ควรที่จะไปถือเอาความเห็นผิดๆของตนเองฝ่ายเดียวเพราะว่าความเห็นของตนนั้นมันมันไม่แน่นอนจริงๆเพราะมันมีโมหะอวิธาแทรกอยู่มันอาจเห็นผิดไปก็ได้นี่เห็นผิดตรงๆนี่แหละผู้ใดเห็นว่าตายแล้วศูนยะ์น่ะบาปบุญบุญบาปที่ทำลงไปแล้วมันไม่ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างนี้นะ เรียกว่าเห็นผิดจากคานองครองธรรมคาสอนของพระเจ้าแน่นอนทีเดียวอ่ะอเป็นงนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายพึ่งตื่นตัวพึ่งเคารพต่อพระธรรมคําสอนของพระเจ้าถ้าถ้ า, ถาไม่เช่นนั้นก็จะมีแต่ชื่อเท่านั้นแหละจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจาก พระพุทธศาสนานี่เลยให้พึงเข้าใจพระพุทธศาสนานี่เกิดจากบุคคลท่านผู้รู้พิวิเศษในโลกได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าพระองค์ได้สร้างพระบรมีมาสร้างสีอสงไขยปลายแสนหมากับกวัวว่าจะมารู้จักบาบบุญคุณโทษ ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าบุญไม่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์จริงๆเนี่ยไม่มีทางจะรู้แจ้งบาปบุญคุณโทษโลกนี้โลกหน้าอพระสวรรคนิพพานอย่างนี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแล้วก็ไม่สามารถจะบรรลุถึงได้นั่นแหละ บ, บคุคคลผู้ที่ รลอยให้อวิชชาตัญหาโมหะครอบงำจิตใจ ย, ยอมเป็นใจมืดใจบอดอมืดแปดด้านเลยมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าโลกหน้ามีก็ไม่เห็นเหมือนอย่างคนตาบอดนั่นแหละหมีใครเขาบอกว่าข้างหน้านี่นะมีงูพิษนะอยู่นั่นน้าอย่างนี้นะมันก็ไม่เห็นะ แล้วมันไม่เชื่อคนผู้บอกอย่างนี้เดินไปไปเหยียบเอามันก็กัดเอาเท่า น, นั้นเองเนะี่ยเมื่องูมันกัดเจ็บปวดทุกขเวทนาจึงได้รู้ว่างูมีอยู่ตรงนั้นอย่างนี้มันฝายเส็จแล้วมันแก้ไม่ได้มเบงันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนี้หนั่นแหละบุคคลผู้มีความเห็นผิดจางว่านั้นแล้วก็ทำชั่วไป ทีนี้พอตายลงกรรมชั่วมันนำไปสู่นรกได้รับความทุกข์ทนทรมานอยู่จึงรู้ตัวว่าโอ้เรานี่มันเห็นผิดแล้วเรานั่นน่ะไม่เชื่อคำสอนของพุทธเจ้าจึงได้ทำบาป ก, กรรมมันชั่วร้ายตายแล้วจึงมาตกนรกนี่ไม่ใช่ตายแล้วมันสูญอย่างที่ความเห็นของตน มาลำพึงประเดมันก็ไม่มีทางพ้นได้ต้องได้สเสวยวิบากกรรมนั่นไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นลงไปนั่นแหละมันถึงจะพ้นมาได้ก็เหมือนอย่างคนตาบอดที่ไม่เชื่อผู้บอกว่างูพิษมีอยู่ข้างหน้านั่นอย่างนี้แหละประเทศ น, นั้นแหละให้พึ่งเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้นะ่ะ ทำยังไงเราถึงจะกำจัดความเห็นเช่นว่านี้ออกไปได้ถ้าหากว่าเกิดมีความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาก็มีทางเดียวนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปทำใจสงบระ ง, งับลงนั่นแหละเมื่อใจสงบระ ง, งับลงไปแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้น รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่แท่ประโยชน์ได้ได้เห็นแจ้งในใจว่าโลกนี้มีโลกหน้าต้องมีเหมือนอย่างชาตินี้มีชาติหลังนุ่นก็ต้องมีพหาาว่าชาติหลังไม่มีชาตินี้ก็ไม่มีเมื่อชาตินี้ไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีบุคคลผู้อิปัญญามันย่อมมองเห็นเหตุผลอย่างนี้ อดีตมีปัจจุบันก็มีอย่างนี้แหละปัจจุบันมีอนาคตก็ต้องมีนี่คิดดูสิวันนี้มีพรุ่งนี้ก็มีนี่แล้วจะไปปฏิเสธได้ยังไงว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีดังนั้นต้องพิจารณาให้มันดีแล้วพิจารณาลงเห็นว่าไอ้ตัณหากิเลส น้อยใหญ่ทั้งหลายนี่แหละเมื่อบุคคลไม่ละมันน่ะมันพาให้ทำกรรมดีกรรมชั่วนี่กรรมดีกรรมชั่วนี่แหละนำให้ไปเกิดถูกไปเกิดโลกหน้าต่อไปอุปมาเหมือนอย่างมเมล็ดพืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆนี่แหละถ้ามเมล็ดใดมันไม่รีบอย่างนี้นะ แสดงว่ามันมียางอยู่ในพืชนั่นเขาก็เอาไปปลูกลงในดินเมื่อถึงเวลามันมาแล้วมันก็งอกขึ้นมาเป็นหน่อเป็นต้นขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเมล็ดผลไม้อันไหนมันรีบอ่ะแสดงว่ามันไม่มีเชื้อที่จะต้องเกิด พืชในมเมล็ดนั้นไม่มีเชื้อที่จะให้เกิดเป็นหนอ่อเป็นต้นขึ้นไปไม่มีมันถึงได้รีบมันก็แสดงให้คนผู้เป็นเจ้าของได้เห็นก็ไม่เอาไปปลูกอย่างนี้แหละถึงเอาไปปลูกได้มันก็ไม่ขึ้นเพราะว่ายางในพืชของมันน่ะมันแห้งไปหมดแล้วมันไม่มีอุปมาเหมือนอย่างท่าน ผูละราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปแล้วอย่างนี้ไม่มีเหมือนกับมเมล็ดผลไม้ที่มันรีบนั่นเนี่ยไอ้ผู้ที่มีราคะโทสะโมหะอยู่นี่อุปมาเหมือนอย่างมเมล็ดผลไม้ที่มันมียางอยู่ในพืชนั่นอย่างนี้ดังนั้นแหละ ผู้มีกิเลสอยู่ในหัวใจกิเลสนั่นแะนำไปเกิดอีกเหมือนดั่งยางอยู่ในพืชของมเมล็ดผลไม้นั่นเองเนะ่ะเอาไปปลูกลงในดินมันยังงอกงามเจริญขึ้นอุปมานี่ให้เอาไปคิดไปตรองกันให้มันเห็นแจ้งชัดเมื่อเมื่อความเกิดมันเกิดด้วยอำนาจแห่งบาปกรรม ความชั่วที่ตัวทำเพราะความอยากเกินขอบเขตนั้นเนี่ยมันก็ได้รับทุกข์ทนทรมาน อ, อย่างนี้แหละบุคคลใดเป็นผู้ที่รู้จักประมาณในความอยากความอยากอันใดมันผิดศีลผิดธรรมแล้วไม่อยากเลยอย่างนี้อา้าไปอยากแต่ทางที่มันไม่ผิดศีลผิดธรรม นั่นอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไปสู่นรกอบา ย, ยภูมิที่นี่ตายลงไปแล้วนะคับุคคลไม่รู้จักห้ามความอยากอันเป็นบาปอากุศลนั่นได้แล้วก็ใช้ความอยากที่ไม่เป็นบาปอากุศลนั่นทําแต่คุณงามความดีถ้าทามาหาเลี้ยงจีบก็ สเสวงหาเรื่องจีพแต่โดยทางที่ชอบโดยสินโดยธรรมแท้ที่จริงคนเรานะ่ะทำบาต ท, ทาำกรรมอยู่ในโลกนี่พราะากโคท้องนี่แหละพูดกันง่ายๆลองคิดดูให้ดีอันบุคคลผู้ที่ทำมาหาเรี่งชีพทำนาทำสวนทำการค้าขาย ทำหัตถกรรมเป็นช่างต่างๆอยู่หมู่นั้นน่ะก็เพื่อหวังว่าจะหาเงินหาทองได้มาแล้วก็จะเพื่อมาหาปัจจัยซื้อข้าวกินนี่ยซื้อผ้ามานุ่งมาหม่มอนนี้นะสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้ร่างกายนี่ได้ พักผ่อนย่อนใจสบายการผ้นการลมกันแดดกันผัดมีพิษต่างๆแล้วก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากก็จะได้เสียค่าหยุกผ้ายาให้หมอเขารักษานี่ก็ลองคิดตัวการแสวงหาปัจจัยสี่ก็เพื่อเอามาบำรุงร่างกายอันนี้เองเนี่ยอย่างนั้น ถ้าบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนเช่นนี้นะเป็นของแตกของดับไม่ใช่ของเราจริงจังอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ใช้กายวาจาใจอันนี้ไปทำบาปทำกรรมมันชั่วให้ตนได้รับทุกข์ทนทรมานต่อไปเพราะว่า การที่ใช้กายทำชั่วพูดชั่วลงไปผู้เสวยแห่งผลแห่งกรรมชั่วนั้นก็คือจิตดวงนี้ไม่ใช่กายวาจามันได้เสวยจิตดวงนี้เสวยทุกทนทรมานคือบาปกรรมน่ะมันไปตกแต่งรูปกายของสัตว์นรกของเปรตให้ดวงจิตนี้ได้อาศัย พูดกันอย่างโจงแจ้งรูป ก, กายสัตว์นรกมันเป็นกายอันน่าเกลียดแล้วก็มันอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่ท่านกล่าวไว้ในตำราว่านายนิยบาลหลังจากาคุยพักษาตัดสินว่าผู้นี้มีบาปติดตัวควรได้รับทุกอย่างนี้ นายนิตยาบาลนั้นก็จับไปแบบนี้นะ่ะจับซัดลงนรกนู่นเอาสะเกียกระิกายขึ้นมาเขาไปจับตัดลงไปอีกตนไม่มีอิสระเลยแม่แต่น้อยเดียวอย่างนี้นะนั่นแหละเหมือนมันก็ได้รับทุก ท, ทรามานเหมือนอย่างที่แต่เป็นมนุษย์ได้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละ แต่ผู้เวิบาป ก, กรรมเหล่านั้น่ะมันยิ่งเป็นทุกข์กว่าที่ไปทํำเขานั่นอีกซ้ําเช่นไปฆ่าเขาตายอย่างนี้เอเขาก็เป็นทุกข์แต่เวลาถูกฆ่าทีแรกเท่านั้นแหละเมื่อตายไปแล้วมันก็ไปตามกรรมถ้าเขามีบุญเขาก็ไปสู่ความสุขความสบายได้อืไอ้ผู้ที่ไปฆ่าเขานั่นสิ เมื่อเวลาบาปกรรมม น, นําไปสู่นรกน่ะมันได้สั w e a ทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานสั้งเป็นกลับเป็นกันอ่อย่างนี้นะแล้วมันจะไม่ให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนมากมายยังไงเล่านี่นะ่ะแสดงว่ากรรมชั่วนี่แหละที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะซึ่งมีในไตรโลกกบิถานนัะนะ่นเ อา้าน้ำร้อนลวกไฟเผาเป็นจุนลวิจุนไปแล้วบาปกรรมไม่หมดอาบาปกรรมมันก็แต่งรูปนั้นให้เกิดมาอีกให้จิตได้อาศัยอีกอา้บาบันนี้ก็นานิยบาลจับซัดลงในนรกไปหาน้ำร้อนลวกไฟเผาเข้าไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปตายไปอา้า กรรมยังไม่หมดกรรมมันแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกอยู่อย่างนี้แหละผลทุกนานแสนนานถ้าเป็นเปรตอย่างนี้ก็ออดอยากหอมโซไม่มีอะไรจะกินกินน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำเน่าของตัวเอง เ, อเพราะแต่ก่อนแต่แต่เป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญกุศล คอยจะเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้นะเช่นนี้แหละมันถึงได้รับทุกข์ทนทรมานโยู่อย่างนั้นเพราะทนแต่เป็นมนุษย์ไปทําผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอนี่พากันเข้าใจผู้ใดทํากรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเอาก็มมาฝึกผลจิตใจตรงนี้เข้าไปสินั่นแหละ เพิกขนใจใจตรงนี้นั่งสมาธิภาวนาสมาทานมั่นในสินเข้าไปแล้วนั่งสมาธิภาวนาตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกควบคุมจิตตรงนี้ให้มันตั้งอยู่ภายในจะให้มันคิดสงสายไปในอดีตอนาคตให้ใจมันสงบลงไปให้ได้ถ้ามัน อยากกับคิดไปพุ่งต้านไปให้นึกถึงนรกอย่างที่ได้ฟังเทศฟังธรรมมาอ้าเตือนตนเข้าไปถ้าหากว่าขืนคิดแส่ไปในทางบาปอากุศลต่างๆอยู่เนี่ยจะไม่พ้นจากนรกนะไม่พ้นจากเปรตนะชอบทุกข์เหลือนี่เตือนตนเข้าไปอย่างนี้เนี่ยมันก็ตื่นตัวได้ถ้าหากว่ามันไม่หนาเกินไป เมื่อมันตื่นตัวได้มันก็หยุดคิดหยุดตึกจิตใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งอย่างนี้แหละแล้วก็ฝึกเข้าไปบ่อยๆทีแรกผู้ที่ฝึกหัดใหม่มันก็สงบไปชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งก็เอาเมื่อเราฝึกไ ป, ไปบ่อยๆเข้าเพ่งอยู่ไม่ถอยอดทนอดกั้นเข้าช่วยอย่างนี้นะใจมัน มีคุณธรรมเหล่านี้เข้าช่วยแล้วมันก็หนักแน่นเข้าไปเรื่อยๆต่อจากนั้นมันก็ค่อยสงบอยู่นานกว่านี่เมื่อมันรวมลงได้แล้วนะ่ะเมื่อมันละอารมณ์ภายนอกได้แล้วมันก็สงบอยู่นานสติกประคับประคลองจิตนั่นให้มันสงบอยู่นานเท่าที่มันจะนานได้นี่แหละฝึกไปบ่อยๆเข้าจิตมันก็ หนักแน่นเข้าไปสงบเข้าไปทิรีก็สมควรที่จ ะ, จะเจริญปัญญาได้แล้วพอจเจริญปัญญากําหนดพิจารณาเรื่องบาปบุญคุณโทษ ด, ดังที่แสดงมาแล้ววันนั้นให้มาเห็นแจ้งในใจว่ามีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงคุณโทษมีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงอย่างนี้นะพระนิพพานมีจริง พ้อปฏิบัติที่จะดำเนินไปสู่สวรรค์สู่พระนิพพานพ้นจากนรกอาบายภูมินันก็มีอยู่ได้แก่ทานสินภาวนาหรือสินสมาธิปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นนี่ภาวนาเมื่อปัญญาเกิดแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้เมื่อมันเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันก็ละบาปได้เด็ดขาดลงไป เมื่อมันละบาปได้บาปไม่มีอยู่ในจิตใจใจกเบิกบานทองใส อ, อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการละบาปกับบาการบำเพ็ญบุญกุศลมันไปด้วยกันแหละถ้าบาประงับไปบุญก็เกิดขึ้นมาจิตใจผ่องใสปัญญาก็ย่อมเจริญงกอกงามขึ้นมองเห็น บาปก็ละบาปได้จริงๆมองเห็นบุญก็ทำบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นไปจนถึงโลกุตละกุศลอันเป็นกุศลที่จะนำดวงจิตในพ้นจากโลกสงสารอันนี้ได้โดยแน่นอนดังแสดงมา